หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้นี้ถ้าดูละเอียดลงไปอีกนะเรื้องต้นเนี่ยมันจะเรื่องยาวแต่ตัอไปมันจะสั้นสั้นเนีไม่ใช่เพราะเครียดคราวนี้สั้นเพราะว่าการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนี่ยจะเริ่มลดลงการใช้ออกซิเจนจะน้อยลงงั้นลมนี้จะตื่นขึ้นตื่นขึ้นแต่ไม่ใช่ตื่นเพราะว่าไปบังคับเหมือนตอนหัดใหม่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 เราก็น้อมใจมาดูกายน้อมใจมาดูจิตใจนะนึกถึงร่างกายบ่อยๆนึกถึงจิตใจบ่อยๆ่อยย่างถ้าเคยทำอนาปนานสติมานะก็ต่อขึ้นมิปัสสนาได้เลยอนาปนานสติเป็นกรรมฐานที่อัศจรเป็นสมถกรรมฐานก็จริงนะแต่ว่าต่อขึ้นไปทำมิปัสสนากรรมฐานได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนกรรมฐานเหมือนการดูจิตกวเหมือนกันการดูจิต ก, กเป็นกรรมฐานที่อัศจร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 อย่างเราหายใจไปแล้วมีความสุขเรารู้มีความทุกเรารู้นะหายใจไปนานเราก็เห็นความสุขความทุก็เกิดดับได้หรือบางทีเราถ้ า, าสติเราไม่ทันมีความสุขเกิดขึ้นสติตามไม่ทันราคะจะแทกมีความทุกเกิดขึ้นสติรู้ไม่ทันว่ากำลังมีความทุกอยู่โทสะจะแทกเพราะงั้นถ้าเรารู้ไม่ทันความสุขความทุกที่กาลังปรากฏอยู่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 เกิดได้ก <k anya> ็ดับได้ไม่เที่ยงความโลภเกิดได้ดับได้ไม่เที่ยงนี่เห็นอนิจจังก็ขึ้นมีปัสจนาในจิตตานุปัจจนาหรือเราเห็นว่าจิตจะโกรธหรือจิตจะโลภหรือจิตจะหลงนะจิตจะดีหรือจิตจะชั่วเราสั่งไม่ได้มันเป็นของมันเองไม่อยู่ในอำนาจบังคับเรียกว่าเหตุอนัตตานี้ขึ้นมีปัจจนาละวมีปัจจนาหรือไม่มีปัจจนาต้องดูว่าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจของรูปของนามหรือเปล่านะ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 แต่ถ้าเห็นว่ากิเลส ท, ทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับกิเลส ท, ทั้งหลายบังคับไม่ได้นะกุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับกุศลทั้งหลายบังคับไม่ได้อันนี้ขึ้นวิปัสนาในจิตตานุปัสนาแต่เป็นระดับของวิปัสนาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะต่อไปเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายนะตกอยู่ใต้ใจรักทั้งหมดเลยทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมตกอยู่ใต้ใจรักทั้งหมดเลย นี่เริ่มจากลมหายใจอันเดียวนะจะทําสติปัฏฐานได้ทั้ง4อย่างเลยเริ่มจากลมหายใจอันเดียวนี่ทำสมถะก็ได้ทาําท genau, วิปัสสนาก็ได้วิปัสสนาทําทได้ทั้ง4ี่ฐานเลยทําได้เยอะแยะเลยหรือจะทําอานาปนสติแล้วพลิกแปลงไปเล่นอย่างนู้นอย่างนี้ก็ได้นะมีทางเลือกได้เ ย, ย, ย, ยอะแยะอานาปนสติถ้าเราดูแบบสมถะนะเราเพ่งอยู่ที่ลมหายใจหรือเราเพ่งร่างกายที่หายใจ ถ้าเราเพ่ง um, ร่างกายที่หายใจเราเล่นกับสินดินอยู่ถ้าเราเพ่ง um, อยู่ที่ตัวลมหายใจเราเล่นกับสินลมอยู่นะัได้กสินสองกองละถ้าเพ่งไปเพ่งไปนั unified, ้นจะกลายเป็นแก้วใสไปหมดร่างกายก็ใสลมหายใจก็ใสหรือดูไปเรื่อยลมหายใจหายกลายเป็นแสงสว่างเราไปเพ่งอยู่ที่แสงสว่างก็คือกสินแสงนะอย่างกสินแสงเนี่ยจะได้หลอกตาทิพได้อนะไรพวกนี้ได้เจโตปริยญาณได้อะไรพวกนี้ได้กสินพวกนี้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 พุธทธิจดิตถ้ามานาปัตติได้หมดเลยแล้วทําได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสนาทําสมถะก็ได้ตั้งแต่คณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิทําได้จเจริญปัญญาก็จเจริญได้ทั้งดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเห็นเป็นไตรลักษณ์ได้ทั้งหมดเลยแล้วจะสามารถทําสมาธิก่อนแล้วถอยเอามามาจเจริญปัญญาดูกายก็ได้